بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي و س ل م على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إليهم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب ن سنتي ผู้ศรัทธาทุกคนที่มีความผูกพันกับอัลกุรอานจำต้องเข้าใจว่าความเข้าใจในกุรอานนัน้นไม่ใช่หมายรวมความเข้าใจในสำนวน เพราะุรอ่านไม่ได้ปีไม่ได้เป็นเพียงสำนวนด้านภาษาถ้ายกตัวอย่างระหว่างคำพูดของมนุษย์ที่ใช้สำนวนด้านภาษามนุษย์คุยกับมนุษย์เช่น ถ้าถึงบ้านแล้วให้ล้างมือล้างล้างตัวด้วยนะเข้าใจไหมนี่นี่มนุษย์คุยกับมนุษย์ใช้สำนวนด้านภาษาแต่คุรอานใช่เป็นภาษาที่พระผู้เป็นเจ้า ได้ใช้สำนวนอันเดียวกับสำนวนที่ใช้ตัวอักษรที่มนุษย์ใช้ดีกันนั่นแหละเพราะอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในกุรานว่าุรานนี้ก็ก็ใช้สำนวนภาษาเดียวกันแต่ ที่พลของกุ ร, นก ร, นนนรน า, มม า, ร า, านความลึกซึ้งของกุรานนั้นมันคนละอย่าง a l i a m mim alif lam ra taasin m ม m hamim ain sin qaf qafaya า i n sod นี่กหมายถึงว่าคุรานนี้ถูกร่างด้วยอักษรเดียวกับตัวอักษรที่พวกเจ้า ใช้กันนันแหละถึงจะเป็นสานวนด้านภาษาเหมือนที่มนุษย์ใช้ด้วยกันในการสื่อสารแต่เวลามนุษย์สื่อสารด้วยภาษาที่ใช้อักษร น, นี้และมนุษย์จะใช้คำว่าเข้าใจเพื่อสื่อสารว่า ตนเองนั้นได้รับรู้ระดับหนักในเนื้อหาด้านภาษาที่สื่อสารกันแล้วเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะใช้สานวนนี้สานวนระวังมนุษย์ด้วยกันที่สื่อสารถึงความเข้าใจว่าอัลลอ์ได้ดำรัสอัลลอฮ์กล่าว แล้วเราจะบอกว่าเราเข้าใจเราไม่สามารถที่จะใช้คบนี้จนกระทั่งสำนวนของคุรอานั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในหลายมิติของชีวิตที่สำนวนของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีมิตินั้นๆมึนหน่อยนะ เรามานุษย์กับมนุษย์คุยด้วยกันนะมันไม่มีเงื่อนไขว่าการที่จะเข้าใจภาษาภาษาที่คุยกันเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขว่าต้องศรัทธาต้องเชื่อต้องเชื่อมั่นในผลของคำพูด หมอคุยกับคนไข่อย่างเงี้ยบอกว่าอ่าถ้าถึงบ้านแล้วนี่กินยานี่นะวันละสามเม็ดมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องศรัทธาในตัวหมอเพราะบางทีก็ไปหาหมอก็ก็อย่างนั้นน่ะลูกเขาพาไปเขาเขาจริงๆเขาไม่อยากไปหรอกเขาเบื่อหน้าหมอแล้วเขาไม่อยากไปหาหมอไปก็เพราะพราลูกพาไปเขาก็ไม่ได้ศรัทธาเนี่ย ไม่ไม่ได้ศรัทธาในายาด้วยเพราะกินยามาเยอะแล้วไม่เห็นจะหายสักทีฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่ามนุษย์ในเวล า, ม, ามนุษย์กับมนุษย์คุยด้วยกันเฮ้ยจะต้องศรัทธาแลวต้องมีความเชื่อว่าที่มนุษย์พูดเนี่ยมันมันจริงแล้วมันจะมีผลถึงหมอตอนพูดแล้วเนี่ยแล้วหมอถามว่าเข้าใจไหม เขาก็บอกว่าเข้าใจนี่มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะแต่เวลาอัลลอ์พูดกับเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอ้างว่าเราเข้าใจเหมือนที่เราพูดกับมนุษย์ด้วยกันน่นนะเว้นแต่จะต้องมีความเชื่อเงื่อนไขต่างๆในการสื่อสารระหว่างอัลล์กับเราเนี่ยที่มันไม่มีละ ในการสื่อสารระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันน่ะมันต้องมีระหว่างระหว่างเรากับอัลลอ์ถ้าอัลลอ์คุยกับเราแล้วเนี่ยมันมันต้องมีเนื่องไขเหล่านี้เชื่อศรัทธาตระหนักว่าสิ่งที่อัลลอ์ใช้เนี่ยมันมีมันย่อมมีประโยชน์มันมันเป็นจริง และถ้าไม่มีงเงื่อนไขเหล่านี้ในการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอ์เนี่ยถึงจะเข้าใจสำนวนที่อัลลอ์พูดกับเราเราก็ไม่สามารถที่จะอ้างว่าเราเข้าใจเพราะความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับอัลลอ์มันไม่เหมือนความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ทำไม呀เพราะ หนึ่งประการแรกเนี่ยสำนวนคําพูดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นี่มันก็มันก็เป็นมนุษย์กับมนุษย์เหมือนกันแต่สำนวนภาษาที่เราดูแล้วว่ามันมันก็เป็นสำนวนภาษาเดียวกันที่เราใช้กับมนุษย์นี่แหละแล้วก็อักษรเหมือนกันนี่แหละแต่ผู้ที่กล่าวไว้เนี่ยมนุษย์ พูดอีกล่าวไว้นี่คือพระเจ้าแต่ความชื่อความเสือในคำพูดที่มาจากมนุษย์กับคำกับคพูดที่มาจากพระเจ้าย่อมต้องไม่เหมือนกันเช่นที่เราเนี่ยบางทีเนี่ยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคนที่พูดเนี่ยก็มนุษย์เหมือนกันนะนะแต่ตำแหน่งไม่เหมือนกัน ขราชการรัารชการะดับสองอย่างเงี้ยกับนายกพูดขนชั้นสองฮะสี่เอ่อ ส, สี่สองหมายถึงกับนายกไ ม, ไม่เหมือนกันนายก หรืผู้ใหญ่นี่ยเขาพูดอะไรกับกับคนทั่วไปนี่พูดเฮ้ยน้ำหนักมันไม่เหมือนกันนะคือเราเราสัมผัสนี่ น, นีกับมนุษย์ด้วยกันเองนะมนุษย์ด้วยกันเองเรายังเห็นข้อแตกต่างเลยอะ่ะเฮ้ยเขาบางคใคร อ, ะอ่ะอ๋อบางคนบางค น, นเป็นใครอะ่ะบางคนนั่นเป็นใครอะ่ะ ให้ที่พูดในนายกนายกเออได้ไดนีดดดด่กับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะเรายังให้เครดิตในตําแหน่งในระดับในสถานะของคนที่พูดและที่จะเปรียบเทียบระหว่างคําพูดมนุษย์กับมนุษย์พระเจ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้เครดิตกับคําพูดของพระเจ้าที่จะต้องเหนือกว่า แล้วเราต้องแสดงกับตัวเราเองเนี่ยให้ให้เราได้เห็นข้อแตกต่างในการที่เราฟังมนุษย์กับการที่เราฟังพระเจ้าเนี่ยเราต้องเห็นว่ามันมีข้อแตกต่างนะไม่ใช่ว่าฟังมนุษย์กับฟังอัลลอฮ์นี่มันเหมือนกันนะถึงบอกว่าทัศนะอัลลอฮ์มาที่บอกว่าสัมบัตสกุรานนี่จะต้องมีน้ําละมาดเป็นทัศนะอัลลอฮ์มาส่วนมาก ก็มีหลักฐานแล้วก็มีทัศน์อุลามะที่บางท่านนี่ยที่เขบอกว่าไม่ต้องมีนละมัดก็ได้แต่ว่าผมให้น้ําหนักกับทัศน์อุลามะส่วนมากที่บอกว่าต้องมีต้องมีต้มีจะอ่านกุตรอ่านสมบัดกุตรอ่านต้องมีน้ำละมัดคนที่มีเจนะบะผู้หญิงที่มีเฮดมีประจำเดือนนี่ยสำบัดไม่ได้ทําไมอะถ้าเราไม่มีตัวบทหลักฐานที่ ที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเจาะจงนะเราแค่มีเหตุผลว่าจับหนังสือพิมพ์กับจับกุตอ่านนี่มันต้องไม่เหมือนกันมันใจคนจับนําซือกับจับกุตอ่านเนี่ยเหมือนกันไม่มีในละหมาดมีประจำเดือนมีจยนบ้าอะไรเงี้ยได้ทั้งนั้นแ่ละพอคนที่มีประจำเดือนคนที่มีเยนาบ้าก็ สัมผากับหนังสือพิมพ์ไดไ้ไม่มีข้อห้ามแล้วก็จะให้เขาสัมบัติกับกุษอ่านได้เหมือนที่เขาจะสัมบัติกับหนังสือพิมพ์แท่งนั้นแนะแค่มองเหตุผลว่าเราเนี่ยต้องเห็นข้อแตกต่างในการให้เครดิตกับอุษอ่านเราต้องเห็นเนะ่ะ ใบปริญญาอย่างเงี้กลังทอดไก่ทอดมันทอดอะไรแล้วก็ไปจับว่าฮ้ยแป้นปริญญาแล้วทำไมใบปริญญานี่มันเป็นอะไรนักหนาเป็นใบปริญญาไงอันระหว่างใบปริญญากับคุรอ่านนะคุรรณอ่านนะบางทีเนี่ยก็ทอดไก่ทอดทอดนะมาต้องโก้ทออะไรก็จับกบ็จับกันใช่ไหม อันนี้อันนี้มันเป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่าการที่เราจะมองคุรานว่ามีเครดิตมีสถานะที่จะไม่เหมือนคบพูดของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันต้องแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอุลามะที่ได้อ่านที่บายคุรานเขาก็บอกว่า การที่จะเข้าใจคุรานอ่านคุรานอ่านคุรานก็ไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องศึกษาตั้งียก็จะจะได้เข้าใจการอ่านคุรานแลวเข้าใจคุรานเนี่ยมันก็มันก็จะต้องมีขั้นตอนที่มันไม่เหมือนกันนะ และตัวเราเองเนี่ยจะต้องเห็นข้อแตกต่างในการมีความผูกพันกับอัลกุรอานในเรื่องความเข้าใจกุรอานเข้าใจกุรอานระดับไหนระดับไหนในประวัติศาสตร์อิสลามมันเคยมี กระบวนการวิเคราะห์ดานุชสการที่มาจากที่มาจากกระบวนการการศึกษาที่ไม่ใช่อิสลามโดยเฉพาะกระบวนการที่มาจากปัชจายของของกรีส เป็นฟิลสูฟีเป็นปัะชาของของตะวันตกตระ ก, กะตระ ก, กะที่จะให้มองสำนวนถ้อยคำว่าตัวสำนวนตัวคำเนี่ยที่มันสามารถ ผลิตความหมายและเนื้อหานี่ปัญญาทางทางกรีกเนี่ยเขาเขาเชื่อแบบนี้ก็มหมายถึงว่าเราเอาอักษรมาเรียงอักษรมันก็จะเป็นคำเอาคำ ม, มาเรียงกับคำ ม, มันก็จะเป็นประโยคหการี่เรียบเรียงอักษรนัน่นแหละ มันเป็นการสร้างเนื้อหาของคำและการเรียบเรียงคำให้มันเป็นประโยคนั่นแหละที่มันสร้างเนื้อหาของประโยคและถ้าเรียงประโยคต่างๆให้มันสื่อถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นเรื่องอุดมการเป็นเรื่อง เ, เรื่องความเชื่อที่เราอยากจะพิสูจน์เขาบอกว่าการเรียบเรียงประโยชน์นี่แหละที่มันสร้างเนื้อหาของความจริงแต่ปัจชาอิสลามเนี่ยไม่เห็นด้วยปัจจาอิสลามบอกว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากความสามารถ ในการเรียบเรียงอักษรคำและประโยคแต่ความจริงย่อมเกิดจากความเป็นจริงที่มันมีจริงและแหลง่งศัจธรรมที่จะพิสูจน์ความจริงและศัจธรรมนั้นมันจะไม่มีมิติใดๆที่จะพิสูจน์นอกจากการที่เรารับรู้ والله س ว ح ا ن ه และ تعالى เป็นผู้ยืนย kind of ันว่านั้นคือความจริงทุกครั้งที่เราเรียนรู้อัลกุรอานความหมายอักุรอานเนี่ยเราก็อยาอยาได้หยุดาได้มีความเพียงพอที่จะเข้าใจสํานวนเพราะการที่ ตำราใดๆหรือคนหนึ่งคนใดอาชินผมอธิบายความหมายอกุรอานมันไม่ควรที่จะให้ตัวอักษรหรือตัวอธิบายตัวอักษรที่มาจากตำราหรือตัวอธิบายที่มาจากมนุษย์ที่เป็นบรรทัดฐาน ของศัตธรรมและความเป็นจริงเราจะต้องมีแหล่งพิสูจน์แหล่งอื่นพิสูจน์ความเป็นจริงและศัตธรรมกระบวนการการศึกษาที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยทำให้มีการแยกระหว่างความเชื่อและปฏิบัติ แล้วบางทีเนี่ยให้ความสำคัญกับความเชื่อมากกว่าปฏิบัติหรือบางทีเนี่ยให้คะแนนกับความเชื่อทั้งหมดและคะแนนที่จะให้กับการปฏิบัติเนี่ยแทบไม่มีเลยยกตัวอย่างความเชื่อว่ามีนรก มันเป็นอากิดาหไหมเป็นอากิดาต้องมาฟังให้ดีนะความเชื่อมีนรกไหมมีนรกนี่นี่เป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอากีดาเป็นความเชื่ออ่ะเก็บไว้นะกินมรดกของเด็กกําพร้ามีข้อห้ามข้อห้ามเนี่ย มันเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นความเชื่อห้ามกินเนี่ยห้ามกินมรดกเดกกำพร้มันเป็นข้อปฏิบัติในความเชื่อฮะมันข้อปฏิบัติของความเชื่อตรงไหนอ่ะห้ามกินมรดกมันเชื่อยังไงอ่ะเอ้าเอาความเชื่อนี่มากินนะ่ะจะนี่ไงที่กําลังจะบอก ไอ้เชื س س ่อนแน่มันเป็นเรื่องศาสนาแต่ก็ไอ้เชื่อเชื่อที่มันผิดเนี่ยว่ามันผิดด้านปฏิบัติหรือด้านความเชื่อด้านอากิด้หรือด้านปฏิบัตินะที่ว่ามันผิดเนี่ยมันผิดด้านอากิด้หรือด้านปฏิบัติะด้านปฏิบัติยกิน n y a ิ i n innalladina kuru nimal yatama zulmal innama kuru labybutuni ymlara คนที่กินโมรดกเดกำพ้านี่ก็เท่ากับกินขเขาก็กินไ ฟ, ฟนรกในท้องเัาปฏิบัติมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความเชื่ออ่ะไม่เชื่อว่ามีนรกกาเวทไหมยังสงสัยกันอ่ไม่เคยได้ยินสุภาษิตไทยอ่ะจะได้รู้ว่านรกมีจริงอะ <laughs> เชื่อไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่ามีนรกนี่นะกูฟุมันเป็นการปฏิเสธส่วนหนึ่งของรุกุลนอิมานในหกรุกุลนอิมัทอิอัลีมานุบิลยมิลแอครอิมัทในวันอัครอ่ะและการเชื่อในสวรรค์ในในนรกนี่นะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอิมัทนรุกุลนอิมัทนะไม่เชื่อว่ากินมรดกเด็กกัมพานี่ย มันบาปตกตกศาสนาไหมมันบาปนะบาปเลยไม่ใช่บาปไม่เชื่อไอ้กินนี่ก็บาปไม่เชื่อนี่ก็บาปแต่ตกศาสนาไหมไม่ตกไม่อะอเนี่ย ม, มันเป็นผลมาจากการจําแนกระหว่าง ระหว่างคำพูดของพระเจ้าว่ามีส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับความเชื่อและเทียกับอากกีดาและก็ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอันที่จริงแล้วการจำแนกแบบนี้การจำแนกแบบนี้ทั้งด้นที่มันไม่มีโครงสร้างในอิสลามที่จะรองรับนอกจากว่าไม่มีโครงสร้าง ในในหลักการศาสนาที่จะรองรับให้เราต้องแยกนะถ้าไม่เชื่อว่ามีนรกตกศาสน า, ท, าทั้งดังดีเรื่องเชื่อว่ามีนรกหรือไม่มีนรกเนี่ยมันเพียงเป็นทฤษฎีที่ไม่ส่งผลใดๆในด้านจริยธรรม แต่การกินมรดกกรรมพันเนี่ยเนื่องจากว่าถูกแบ่งแยกว่าไม่ใช่ความเชื่อจึงถูกมองตามมุมมองนั้นนะว่ามันไม่ใช่ความเชื่อมันเพียงเป็นเรื่องปฏิบัติเรื่องอามาลหรือเรื่องปฏิบัติถ้าไม่เชื่อถ้าปฏิเสธนะก็บาปมือนกันนะแต่ไม่ถึงขั้นตกศาสนา ท, ทั้งทั้งที่เรื่องการกินมรดกกรรมพันเนี่ย มันเป็นบาปที่มีผลร้ายแรงต่อจรียธรรม ท, ทำให้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้ศรัทธามีโอกาสที่จะเขวหากได้เคร่งครัดในเรื่องความเชื่ออันที่ จะไม่ส่งผลในด้านจริยธรรมในด้านศีลธรรมของตัวเองและไม่เคร่งครัดไม่รุนแรงในการปฏิเสธหลักการที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเพราะมันเป็นเรื่องปฏิบัติไม่ใช่เรื่องความเชื่อจึงส่งผลให้ผู้ศรัทธานั้นไม่มองว่า การละเว้นหรือการยกเว้นในในเรื่องในเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ส่งผลร้ายแรงต่อข้อปฏิบัติพวกเราจึงได้คําตอบว่าทําไมในประชาชาติอิสลามไม่มีมุสลิมที่ปฏิเสธว่ามีนรกแต่ในประชาชาติอิสลามคนที่กินวโรนิกกับบาเนี่ย เ พ, เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผลที่มาจากเนี่ยมาจากโครงสร้างโครงสร้างความเข้าใจและการศาสนาที่ที่ไม่มีอะไรรองรับเลยใช่ سيد คุตซิดุตเนี่ยข้าสาร่าวอธิบายุรานเนี่ยตัฟซีเนี่ยมันเคยมีในกระบวนการวิชาการของตัฟซีลนะว่ามีตัฟซีลฟซีอธิบายตัฟซีลฟซีนี่อธิบายคำดกคำมีตัฟซีอิจมาลี อธิบายความหมายรวมสรุปรวมมีต afsir fiqh อธิบายในด้านนิติศาสต์เข้าใจเรื่องนิติศาสต์ใช่ปะต afsir al-tafsir al-al-thari อธิบายอุไรน์ด้วย h a d i ดโดยอัลซาร สรุปแล้วประพิธอธิบายเนี่ยมันเป็นการอธิบายกุรานในตัวสำนวนอยากจะมองสำนวนในด้านไหนในด้านนิติศาสตร์ในด้านสำนวนภาษาวยากร น, านี่นะเขาว่าไปแต่สซกุฎเขาบกวมัมนมันควรที่จะมี ตัฟซีรที่ให้สะท้อนให้เห็นมิติของชีวิตของเราอิทธิพลของคุณอ่านที่สร้างผลต่อชีวิตของมนุษย์จึงสเสนอตัฟซีรสซึ่คุณเป็นคนแรกนะที่ที่ที่พูดเรื่องเนี้ยอัตฟซีรั al h a r ะ k i h a r a k a ฮารกาไม่ฮารกาขึ้นไวอ่านกุรานแล้วแล้วมาดูสิมาตรวจสอบสิคุรานเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างในชีวิตของเราเรื่องนี้เนี่ยเศรษกุบได้ไ้ขออนุญาตใช้ขออนุญาตแล้วกันนะอยาว่ากันเลยได้ตัสรู อนุ ญ, ญาตไหมอนุ ญ, ญาตใช้ได้ไหมฟังแล้วกันแล้วก็ถ้าไม่ถ้ามีใครมีคำอื่นอื่นจากนี้นะก็บอกผมแล้วกันผมผมจนภาษางเซคุกได้ตัสรู้เรื่องนี้ตอนเข้าคุกเข้าคุก ถูกซ้อมถูกทรมานเพราะอะไรเพราะแกเรียกร้องที่จะให้ใช้กฎหมายกุรานแต่แกเห็นว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยนัสเซอร์ประธานนี่วันี้เขาก็ฉลองมานิดเขาก็ฉลองปีเยร่เขาาก็เชิญอุลมามามาอ่านกุรานเชิญอุลามามาอาธิบายกุรานเขาก็เห็นมีมหาวิทยาลัยสอนกุรานอยู่มาเอซัตเขาก็เห็นมีพิมพ์หนังสือกุรานมีน้ห แกกุรอ่านใครที่จะเรียกร้องให้ใช้กุรอ่านให้กุรอ่านได้มีเคลื่อนไหวในสังคมอยู่ไม่ได้แกก็เลยตัสรูเข้าใจกุรอ่านนี่หมายถึงว่าเข้าใจในสำนวนเด่นเดจนแล้วก็แล้วตัวเองเขาก็เ ข, ข้าใจแล้วไง ใช้ดีปฏิบัติสิเข้าใจนี่มันก็คือหนึ่งนะมันคือขั้นตอนหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ชัดติคัดชัดเจนลตั้งแต่สมัยนบีเข้าใจนี่มันคือขั้นตอนแรกของการที่จะให้กุรอ่านเนี่ยมีอิทธิพลในชีวิตของเราเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้เราเข้าใจกุรอ่านอย่างเดียว เราต้องการให้เราเด็ยเข้าใจคุรอานและให้คุรอานเนี่ยมีผลมีผลในชีวิตสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันได้ปรากฏปรากฏเป็นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยอรอัฟซีอัลฮาราก er ีการเมืองมีเห็นเห็นปรากฏผล ของความเข้าใจในสำนวนของกุตอานี่มันเห็นผลในการเมืองในการปกครองเศรษฐศาสตร์เห็นการบริหารเห็นมารยาทเห็นสถาบันครอบครัวเห็นทุกอย่างเห็นซึ่งในหลายอายาในกุตอานี่ก็จะมีการชี้ถึงกำแพงระหว่าง ความเข้าใจในสำนวนความเข้าใจในเนื้อหาแต่การและการปฏิบ <Americans> ัติที่มันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจเช่นอียาองวันนี้ อหม الله อ ه ห م ยศด ن นณ المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلّا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون แล้วมีอะไรค่พวกเขากระนั้นหรือที่อัลล ه ฮฺจะไม่ทรงลงโทษพวกเขาถังถังที่พวกเขาขัดขวางมิให้เข้ามัส jid h a และพวกเขามิใช่เป็นผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วยบรรดาผู้ปกครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้เยี่ยมกรงเท่านั้นแต่ถาว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ก่อนหน้านี้ในอ่ยาสามสบสามเนี่ยที่อัลลอบอกว่าอมาคาอัลลอฮมัซิบะฮุมและนทีฮุมะการอัลลอ มูฮัม้มัดก ล, ล่าวว่าดะบอหุงไอสักรุ่นอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาต่อเมื่อหนบีปรากฏตัวอยู่กับเขาและอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาตราบใดเขายัางขออภัยโทษแต่ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ามาบอกว่าแล้วมีอะไรแก่พวกเขากันนั้นหรือที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษพวกเขาทาั้งดั้งที่พวกเขาขัดขวางมิให้เขา้ามสาสิ่ดห้องอาแสดงว่ า, ามูฮัมกมัดนี่ถูกลงโทษหรือ ใช่เป็นอันนี้อญญายาสุรธรรมฟ้าเลยถูกประทานลงมาในในในหลังสงครามบัตรปีที่สอง่ิุรัตสกราัแต่เป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษชาวกุริชในอนาคตซึ่งการลงโทษที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลายสงครามที่เกิดขึ้น แล้วก็มีคนที่ก็เสียชีวิตในสงครามนะีระเบิดรั บ, ร บ, รบชัยชนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการลงโทษที่ใหญ่หลวงเนี่ยคือการที่อัลลอฮอนุ ญ, ญาตให้ท่านนาบีได้พิชิตมักกะปีที่เท่าไหร่ปีที่แปดซุรตัมแฟนที่ปีที่สองหมายถึงว่ากุรอ่านนี่ได้บอกล่วงหน้าไว้แล้วอีกหกปีจะเกิดขึ้นอีกหกปีนะว่าและและทไมอัลลอจะไม่ลงโทษเขา สแสดงว่าจะมีการลงโทษไงพี่น้องลองคิดดูสิมุฮัจญรินลองซอลมุฮัจญรินลองซอลผู้ศรัทธามุสลิ ม, มนะที่อยู่ที่มัดีนานะแล้วก็ข้างๆเขาเนี่ยก็มียิวข้างๆก็มีพวกมุนาฟิกเขาก็ฟังขายเนี่ยแล้วแล้วทำไมจะไม่ลงโทษเขาล่ะพวกมักกา โมฮาจเจรีละองซอร์เนี่ยอัะะนแสดงก็จะมีลงโทษแต่ก็จะได้ยินคำากะแนงะแกแ น, ะกะนะของยูแล้วก็ไหนอะหกปีนะที่ต้องลองคิดดูสิสาวกนบีเนี่ยจะต้องเป็นคนเชื่อมั่นแบบไหนหกปีไหนอะไหนว่าเราจะลงโทษชาวมาไหนอะ ไหนมันจะเป็นความรู้สึกอย่างไมันเป็นบทเรียนบทเรียนใหญ่หลวงมากว่าคาสัญญามันที่อัลลสุบฮานาอวยด่าลาบอกว่าเนี่ยความเชื่อที่มุสลิมจะต้องมีในคาสัญญาของเลาเนี่ยมันไม่ต้องปรากฏให้พิสูถึงความจริงและสัีธรรมของมัน ก็มองแล้วว่าผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ความจริงและศัตรูธรรมของสำนวนคุตัานจากเนื้อหาของอักษรและคําเขาเชื่อว่ามันเป็นความจริงเพราะมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เชื่อเพราะมันเป็นความจริงเพราะมันเป็นสำนวนเนื้อหาที่ต้องมีตัวพิสูจน์จากโลกจาก โลกนี้ไม่ใช่แหล่งที่จะมาพิสูจน์ความจริงจากอัลลอฮ์ทำไมอ่ะก็เพราะโลกนี้ทั้งหมดสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนรับการจัดการจากใครอ่ะจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจะรอคอยเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์คาพูดของอัลลอฮ์แสดงว่าเราให้เหตุการณ์ที่เรารอคอยนี่นะมันเหนือกว่าคําพูดของอัลลอฮ์เป็นไปได้ไงอ่ะ ดยตา ก, กาเน่มันก็เป็นไปนไม่ได้นึกออกมาคือจะให้สิ่งที่มันเป็นมักลุกเหตุการณ์มักลุกเนี่ยเอาาไปอ๋อนี่ไงพอพิชิต ม, มั่ไหมอัลลอฮ์บอกจริงพูดจริงอาจจะเรีกว่าจะพิสูจน์ความจริงในคุรอ่านของอัลลอฮ์เนี่ยที่ไม่ใช่มักลุกด้วยมักลุก ไ, ได้ไง ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ดราศาสตร์อะไรต่างๆที่เขาพบคนเจอในยุคปัจจุบนันมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์สัจธรรมของคุรอ่านนะมันแค่เป็นตัวเสริมเสริมเสริมกำลังใจเสริมความรู้สึกแต่ไม่ใช่ เห็นไหมนี่ไงดาราสาสรเขาบอกแล้วสแสดงว่าสแสดงว่ากูอ่า น, นถูกต้องอ๋อเราต้องรอให้บรรดานักดาราศาสตร์นี่ให้เขากรุณาค้นห า, นาและพิสูจน์ที่ดีอย่างหนึ่งเฮ้ยไม่นี่นักดาราศาสตร์นี่ไงเฮ้ยสวดข้อกูแล้วแสดงว่ากูอ่านถูกต้องอไม่ได้มันมันพิจักกะ ปิดตะการของความเชื่อของเราว่าเราเชื่อว่าว่ากุศลอ่านไม่ใช่มักลุกและมาจากพระเจ้าที่ควบคุมทุกยอย่างอํานาจของพระเจ้าในเบ็ดเสร็จมายถึงว่าอํานาจของอัลลอฮ์นี่เหนือกว่าอํานาจของอวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นแต่เรารอให้วิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ทฤษฎีเนี่ยจะได้มามาพิสูจน์ว่ากุศอ่านจริงหรือไม่จริงสแสดงว่ามัน มันไม่ใช่ละมันผิดตา ก, กาละแต่ฝรั่งนี่ที่เขารับอิสลามนี่พวกเขาอ่านกุตานแล้วก็บพบทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเคาฉลาดนะัะเขาไม่ได้บอกว่าอ๋วิทยาศาสตร์เขาแสดวงว่ากุตานเขาจะบอกว่าเนี่ยทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งพบยุคนี้ เพิ่มพบพบเจอยุคนี้แต่น บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยได้นำมาเมื่อพันสี่ร้อยปีน บ, บีมุฮัมมัดจะรู้ยังไงเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าแสดงว่ากุดอ่านเนี่ยถูกต้องในเพราะพิสูตรแล้วทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์น่ไม่ใช่เขาไม่รู้เขาบอกว่าทฤษฎีนี่มันเพิ่งพบ แล้วก็นบีมุ h a ม m a d ที่เอามาจากไหนแสดงว่าต้องเอามาจากผู้ที่อยู่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์คือพระเจ้าอายะนียอัลลอฮ์บอกว่าแล้วาไมจะไม่ลงทุ่อะไรแหละที่จะทําให้ไม่ลงทุ่งเขาทั้งนั้นที่เขานี่กีดกันขัดขวางห้ามมิให้เข้ามัสิอัลลอฮ์ก็คือห้ามท่านนบีและซะฮับ ไม่เข้ า, มาขเมื่อสิบหารองจริงเขาก็ยังไม่ได้แสดงแสดงการห้ามชัดเจนเพราะเรื่องนี้มันก็ยังบอกว่าหลังสงครามบัตรปีที่สองและครั้งแรกที่เข้าห้ามเ <Yeah. S 1> นี่ยนาวีอยากจะรู้จริงไงนะนาวีก็เลยปีที่ปีที่ห้าปที่ห ก็เลยคลองอิ้รอมไม่ถืออาวุธไปทำอมร์ปรากฏว่าห้ามไม่ให้เขาแสดงว่าแสดงว่าเขาเขาาห้ามจริงอัลลอฮสุบฮานาบูฮาดาลก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เขาประกาศสงครามกับท่านนบีแล้วก็มีแผนที่จะขับไล่นบีและบูสัต t จากมักกะนั่นก็เป็นการห้ามมิให้ผู้ศรัทธาได้มีสิทธิเผยแพร่ศา ส, สนาของเขาในมักกะและทำไมจะไม่ลงโทษเขาละ่ะตราบใดเขาขับไล่เขามีอุบายที่จะขับไล่ท่านนบีและบุษธาสังหารนบีและบุษธา ประกาศสงครามนบีและผู้ศรัทธาแล้วจะไม่ล่ะอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาล่ะมันก็เลยมีคําถามว่าเอาแล้วก็อายะก่อนหน้านี้เนี่ยเลาบอกว่าในเมื่อนบีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษอิหม่ามอิบเนียรี่ได้อธิบายดีมากเขาบอกว่าก็ตอนที่อยู่ที่มักกะเนี่ยนบีอยู่ที่มักกะเนี่ยนบีกับผู้ศรัทธาอยู่ที่มักกะเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษชาวมักกะ เพมีนบีแล้วก็นบีและผู้ศรัทธาก็ขอพระยโทษแม้กระทั่งนบีนั้นก็ยังขอพระยโทษให้ให้ชามกะแต่พอนบีและก็ผู้ศรัทธาออกจากมักกะแล้วนบีและผู้ศรัทธานี่ออกจากมักกะแล้วก็เหลือผู้ศรัทธาที่ยังอยู่ที่มักกะ ที่ขออภัยโทษอยู่อัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษในเมื่อยังมีผู้ศรัทธาที่ยังไม่ยอมอพยพบนะถึงแม้ว่าที่การที่เขาไม่ยอมอวยพเนี่ยก็ถือว่าบาปนะแต่ก็ยังทําหน้าที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่ดีอัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษกับชาวมกกะกา ن في سورة الفتح ا ل ل ه وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ن ْ ت َُ و َ م ِ بُرُودُ ح ُ س ََّ سَتْرِي ح ُ س ََ ل م ت ع ل م و ه م أ ن ت ط ْ أ ه م ف ت ص ي ب ك م م ن ه م م َ ع ر ة ب غ ي ر ع ل م ن ْ ت َ ج ُ و َ م ِ ت َ ح ِ ل َ ي ِ ن ِْ ب ُ ن ُ ز َّ ت َ ا ن ِ ن َ Allah Subhanahu Wataala ก็ยังไม่อนุญาตที่จะให้ไปเข็นฆ่าอย่างราบคาบมีเชนนั้นก็จะมีผู้ศรัทธาโดนไปด้วย Allah ก็เลยระงับไม่มีการลงโทษด้วยการพิชิตเนี่ยด้ยการพิชิตมาก้าเนี่ยเพราะยังมีผู้ศรัทธาอยู่ที่มาก้าอยู่ แต่หลัอองจานพพกนั้นแล้วถ้าเราถ้าลวแนตะ่ถ้าเราลลวถ้าเราเวถ้าเราเวถ้าเรากวถาเราเลวถ้าเราเลวถ้าเราเลวถยาเราเลวถัาเัาเลวถ้เราเลวถ้าเราเลวถ้าเราลวถ้าเราเลว้ปเราเลวถาเราเลวถเกิดขึ้นพอผู้าราเลาเราเลถเรเลวอ้าเราวาเราวถ้าเเลวถ้าเเ้าเราเลวถ้าเรล้เล้าเราเลวถ้าเราเาล้าลว้านะาเลลถ้เเลย สั่งให้ท่านนบีได้พิชิตจึงเป็นการลงโทษที่เกิดขึ้นกับพวกเขาการลงโทษนี้ก็คือการที่เขาได้รับการพ่ายแพ้ในโลกดุนยานี้ก่อนที่จะรับการลงโทษในวันเกียรมะสำหรับคนที่เสียชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ปฏิสตานะ รับความตกต่าในเรื่องนี้นี่คือการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาให้เข้าได้ประสบอัลลอฮบอกว่าแลวทําไมจะไม่ลงโทษเดี๋ยวมีมีการลงโทษแน่นอนว่าแมละหุมอัลลอยาะซิบะหุมุลลอะฮมยาซุดดุนั้นั้นั้งั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้น้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้นัั้นั้นั้นั้ั้นั้น คนมีให้เข้ามาสัสยิดฮะรอมเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครไม่ให้ท่านนาบีแล้วก็สาวกนบีไม่ให้เข้ามาสัสยิดฮารอมและคนอื่นเขาให้เข้าไหมคนอื่นที่จะมาทำอุ่งรอมมาทำฮะจีแต่เขาบูชาจวิดเนี่ยคยเข้าไหมคให้เข้า และเรื่องนี้เนี่ยในปีในปีที่แปดก่อนที่นบีจะพิชิตมักกาเนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงชาวมักกานี่ก็จะก็จะอ้างว่าอัลลอฮ์ سبحانه และาลาจะ ปกป้องเขาจะช่วยเหลือเขาเพราะเขาปกป้องมัสยิดฮารอมเขาทําบุญที่มัสยิดฮารอมคนที่มามัสยิดฮารอมเนี่ยเขาก็ให้อาหารคนที่เข้ามาทําอุม์ร้อมมาทำอาจีเนี่ยเขาก็ให้น้ําให้อาหารให้กินซึ่งมันก็เป็นข้ออ้างเหมือนในปัจจุบันนั่นะ อ้างทำบุญในมสัสยิดฮารอมหรือว่าหลีกเลี่ยงเรื่องบาปเรื่องความชั่วด้วยด้วยการอ้างว่าตัวเองอะทำบุญในเรื่องอื่นยังไงอะก็สืบเนื่องจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนความเข้าใจที่มัน มันหยุดที่สำนวนแต่มันไม่ได้ไปถึงด้านการเคลื่อนไหวในชีวิตที่เราเรียกกันว่า تفسير อัลฮาริกมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่ากุรอานเนี่ยมันเคลื่อนไหวในชีวิตยังไงเพียงอ้างว่าเราเข้าใจกุรอานแล้วก็เอา ส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องดีของเราเนี่ยมาปกปิดความชั่วอยงอื่นนี่เนี้ยที่กำลังเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเหมือนที่เกิดขึ้นสมัยท่านดบิสซาลลอห์ในซาลาและกูรอานก็ ต, ต่อต้านการที่เขาทำบุญที่มัสยิดฮะรอมการที่เขาบูรณะมัสยิดฮะรอม ไม่มีผลใดๆไม่มีประโยชน์ใดๆต่อเมื่อเขาขัดขวางผู้ศรัทธามีให้เข้ามาสัสยิดฮะรอมไม่เป็นเหตุผลใดๆในการที่จะบูรณะมสัสยิดฮะรอมททาบุญที่มสัสยิดฮะรอมที่จะไม่ให้ลงโทษต่อเมื่อเขาขัดขวาง ไม่ผู้ศรัทธาเข้ามัสยิดฮะรอมเนี่ยนั่นแหะเป็นเหตุผลอันควรที่จะให้ลงโทษวะฮุมยาสุดด้นอันมัสยิดฮะรอมนั่นคุอมักวยนขัดขวางขัดขวางมิให้เข้ามัสยิดฮะรอมขัดขวางยังไง คือต้องยอมรับก่อนว่าแผ่นดินฮารอมนั้นไม่มีเจ้าของอย่าว่าแผ่นดินฮารอมนะทุกพื้นที่ที่ถูกวากัฟให้เป็นที่ทำอิบาดะเช่นมสัสยิดที่ไหนก็นดำไม่มีเจ้าของ บ า, าบางบยานสั่งมัสยิดบางมัดมัสยิดบางหมัดเรียกว่ามสัสยิดรอวะทำไว้ทำอะไรเป็นมสัสยิดมสัสยิดนี่คืออะไรคือจะให้จะให้มาบูชารามเทพบ้างไม่ใช่มสัสยิดี่ทำให้บรดาทอเล่า ไ, ไง อ่ะก็แสดงว่าเนียให้พื้นที่ตรงนี้นะให้คนม า, มาละมาละมาตมาทำไมมาละตอรอ์ใช่ไหมใช่เอาแล้วก็จะตั้งชื่อมัสยิดบางบาทได้ไหมปัญหาแต่มีคนจะมาละบาดห้ามคนไม่ได้นะแล้วคนที่จะมาขอละบาดเนี่ยก่อนที่จะเข้าเนี่ยต้องไปขอเนี่ยจากบางบาทไหมต้องไปขอวีซ่าไหมต้องจ่ายตังไห ลองคิดดูสิถ้าทุกคนที่สร้างมัสยิดนั่นนะเอาบ้างมัสยิดของใครนี่อา่อานอา่อานให้ดีนะมัสยิดของใครมีวิชาบ้างใจ้ค่าเหยียบมัสยิดบ้างถ้าทุกคนเอาบ้างนะทำได้ไหมไม่ได้ฮารอมฮารอมบาบฉะนั้นอุละมาดีสวรรนี้ฟตัวมานาันแล้ว การเก็บค่าวีซ่าทำอุมรค์ทำให้หนีบาปแล้วตัวกันมานานแล้วและซาอุดีเนี่ยไม่เคยมาเป็นสิบสิบปีนะไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บค่าวีซ่าอุมรห์ฮจีแต่พอมาเก็บอยากจะเก็บก็เลยมีทางเลีย้ยงวีซ่าเข้าเมือง เพราะคนที่เขาจะไปมสัสยิดฮารอมจะไปจะไปละหมาดที่มสัสยิดนบีนะเขาก็ต้องหยียบเมืองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจะมีค่าใช้ใจ่ายของการหยิบเบืองค่าใช้ใจ่ายในคมานาคมเนี่ยกว่าจะถึงมสัสยิดฮะรอมไม่มีปัญหาก็แจ้งให้ชัดนะ แจงให้ชัดแต่เดียวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นค่าวีซ่าทำอุมระอนแล้ววีซ่า ح, ทำอุมระอนทำให้แล้วและถ้าไม่มีวีซ่าเนี่ยเข้าไม่ได้และถ้าไม่ขอวีซ่าเนี่ยไปไม่ได้ถือว่าขัดขวางไหมถือว่าขัดขวาง มีไหมประเทศไหนในโลกนี้เนี่ยในโลกเนี้ยประเทศไหนในโลกเนี้ยชื่อประเทศเนี่ยเป็นชื่อตระกูลน่ะตระกูลใครอ่ะเอมีไหมเริ่มต้นชื่อประเทศเนี่ยอะไรอ่ะคิงเดมก็อารบิกกระดาษคิงเดมอาระก็อาหรับไงนี่ก็อาหรับกันเยอะแยะก็ไม่เป็นไร เเดียวในโลกกล่ะชื่อใครอะก็ชือพ่ออันนี้ไม่ใช่คำด่านะชื่อพ่อจริงอะซูรุเนอัลซูนเนี่ ย, ยก็คือใครอะก็คือผู้ผก่อตั้งผู้ก่อตั้งอาณาจักรจะขอไปละมนาซิฮารอ ม, รรมไปขอวีซ่าแต่ขั้นตอนในการขอวีซ่าเนี่ยที่ยิ่งกว่านั้นนะ กระทรวงกระทรวงหัตเนี่ยไปติดต่อกับบรรดากระทรวงต่างๆในประเทศต่างๆที่มีมุสลิมมานะเพิ่มเงื่อนไขให้มีเงื่อนไขในประเทศนั้นๆน่นนะเกี่ยวกับกระทรวงในประเทศนั้นๆด้วยอย่างเช่นในประเทศไทยในประเทศไทยอะนะเออกองมาให้ด้วยนะคนที่จะมาอุโมงค์คนที่จะมาหัดนี่นะกมศาสนาเนี่ยช่วยคัดกองด้วย กมศาสนาก็ต้องมีเงินไข่ต้องมีนูนต้องมีนี่ต้องมีเอกสารต้องมีค่าธรรมเนียมต้องมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ทำนะยังไม่ถึงสถานทูตนะนี่นี่ น, นี่แค่กรมนะถ้าไม่มัดจำถ้าไม่อะไรฮะแต่ไม่มัดจำก็อันนี้ไม่ได้มัจจำกับซาอุดีนะมัจจำกับที่นี่นะในไทยนะแล้วที่นี่เนี่ยเขาทำบ่ อ, อะไร เพราะนี่ยเขาขอมาอย่าไปเข้าใจว่าเพราะไทยนี่ยเขาอยากได้นะไม่มีนะคนที่เขาอยากอันนี้มันมันผิดรัฐธรรมนูญใครอยากจะเดินทางไปไหนทั่วโลกเนี่ยมีสิทธิจะไปห้ามคนไทยเนี่ ย, ยจะไปนูน่นไปนูนปน่นเองต้องทําอย่างนูน้นทำไมอะอย่าไม่อยากจะไปทาําฮัดที่ซาอดุดีพวกกอดเยนีเนี่ยพวกกอดเยนีเนี่ยไปทำฮ a j ีที่ทิลาฮอร มีไห ม, มแล้วก็ไปขอวีซ่าที่ปากีสถานนะครับเชิญจบสิ้นเรื่องทูกวีซ่าองเรอด้วยทูกวีซ่าฮัด้วยพวกบาไฮรู้จักบาไฮไหมช่วงโควิดนี่หลงฝนตกแถวบ้านผมอะก็เลยหาทางหา เส้นทางที่น้าไม่ท่วมที่เทาวินเทาน้มันจะท่วมบ่อยก็เลยเข้าไปนู้นเข้าไปนู้นนักงานบาไฮเฮ้ยณไทยแลนด์นี่นะสำนักงานบาไฮน่ะสนักบาบไฮเนี่ยเขาไปไปฮจญกันที่ไหนรู้ไหยาฟานี่คือยาฟานยาฟายาฟานี่เป็นเมืองอยู่ที่อิสราเอล ก็คือที่ปาเลสไตน์ทำอย่างรู้เลยก็คือบา้านี่นอยากจะไปทำอาชีพนะนุนเอาวีซ่าที่ไหนแสดงดูในอิสราเออยู่สกุมมิตรอะไรถูกด้วยคนไทยที่จะไปละหมาดที่เมซิออกซอนะจะต้องขอวีซ่า จากอิสราเอลคาวีซานี่ถูกมากเลยถูกกับองรอดมากเลยการที่ตั้งเงื่อนไขตั้งด่านคัดกรองคนที่จะเข้าไม่เข้าจะไปไม่ไ ป, ไปแล้วไปแล้วคนที่ไปทำฮัสไปทำองรอดนี่ก็รู้รู้ดี ว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดีเนี่ยเขาจะดูถูกคุณชาะะอยเจ้าองค์ร้อยยังไงเดินทางกันจากกรุงเทพยอย่างเงี้ยไปถึงที่มาดีนะตีสี่รอกันสองชั่วโมงมีอะไรมีอะไรอะ่ะอาวพดีเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเฮ้ยนะที่สนามบินเจ้าหน้าที่ที่ที่จะปั๊ม มาคนเดียวเครื่องสองสาลำมาหร้อยเจดร้อยคนนะนะ่ะคนเดียวปั๊มอยไมรอเขาก็จะเริ่มกะนี่ก็ประมาณตีห้าหกโมงนะ่ก็จะมากันเง่นนะ่ะนักร้องคนหนึ่งเขาถูกเชิญจากสถาบันบันเทิงที่ซาอุดีเนี่ยนักร้องผิวดำสักเต็มตัวเลยนะถูกเชิญมา พอเข้าที่ริยาตเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า เ, าเขาบอกว่ า, อาของของคนสปอร์ตคนทำไมไม่มีวผมไม่เกี่ยวว่าคุณเนี่ยเชิญกูมาแล้วกูไม่มีเวลาเรื่องเรื่องเลอะ เ, อ เ, อเอทอะนี่กูกลับเลยเขาก็กลับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชุระของฉันจนสุดท้ายนี่ก็มีตัวแทนจาก คนข้างบนมาตามบอกว่าขอโทษขอโทษแล้วก็ปลอบใจเขาด้วยรถราคาประมาณยี่สิบล้านบาทไม่ใช่เรื่องของปู่จะขอคุณสิ่งวีซาเนี่ยพวกคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยเชิญเชิญฉันมามาร้องมาเต้นในพวกคุณนะพวกคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างไม่ใช่เชิญมาแล้วแล้วก็มาแล้วแล้วก็บอกบว่าเอกสารไม่ครบไม่ใช่เรื่องของฉัน นี่ถ้าธอคุม้มสิ่เอาบ้างล่ะอัลลอฮ์เรียกเราไปทำฮัดไปตรงรอด ห, หน้าที่ของเรานี่นะไปวางพาสปอร์ตที่สถานทุกคนนะอะมีครจะ ม, มีอะไรทีพวกคุณเนี่เคียร์ให้หมดเนีเคียร์ให้จบนะอย่าให้เราเหนื่อยนะอย่าให้เราเครียดนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนในมุมรอดคนในฮัดแท้ผู้ประกอบการนี่นะเครียดเรื่ยองขยุกมาก ไหนจะกลุ่มศาสนาเอ่ยไหนจะเงื่อนไขของสถานทูตไหนจะเรื่องภาพภาพต้องสองนิ้วท้องแบกมันวันสีสีขาวไม่ถทั้งหมดเนี่ยถือว่าขัดขวางไหมขัดขวางและชามกคานี่ขัดขวางท่านนาบีนบีแล้วก็สหายบาเนี่ยจำนวนไม่กี่รอ้อยอัลลอฮฺบอกว่าจะลงโทษ และนีขัดขวางไหมขัดขวางขัดขวางเท่าไหร่ล่ะมันมีขัดขวางโดยตรงก็คือคนที่เขาไม่ชอบนี่เขาไม่เข้านะแม้นว่าได้อุฟพิซาแล้วนะเช็คตรวจแล้วอ๋อเป็นฝ่ายค้านของพวกกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ที่เขาไม่ชอบอ่ะนะไรกลับเลยอันนี้มีเยอะ มีที่จับนี่ในมัสยิดฮารอมเลยข้างในมัสยิดฮารอมถูกอุ้มจับไปเลยก็มีตอนนั้นอะสมัยนบีเนี่ยถูกลงโทษไว้ถูกลงโทษและปัจจุบันน่ะเดี๋ยวค่อยดูอย่าให้เสียงนกพวกมุนาฟิดพวกอะไรไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูมีการลงโทษแน่นอนะมาานออลย พวกเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ปกครองมสัสยิดนั้นด้วยมมสใช่เจ้าของอา้าวไหนว่าตั้งชื่อมสัสยิดไงมสัสยิดบางบัดมสัสยิดบางยาก็นี่ไงไม่ใช่ในเมื่อเป็นมสัสยิดแล้วมันเป็นของอัลลอ ล่วงเกินไม่ได้แล้วเป็นเรื่องหัวร้อนี่ใครจะมาละหมาดเมื่อไรก็ได้เราจะมากําหนดเจ้าของมัสยิดบางหมันีจะมากําหนดอนุญาตให้ละหมาดทุกวัตรกตูไม่เกินหนึ่งชงั่วโมงละหมาดเสร็จแล้วปิดไฟออกปิดสนิทห้ามเขาโดยเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์มไม่ใช่มันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ประเดี๋ยวอีบไอซ หรือมัสิทแล้วบอกว่าเนี่ยมันเป็นที่หลวงแล้วเขาประนามประชาชนบอกว่ามาสร้างมาสิทบนที่หลวงได้ไงเป็นการละเมิดทั้งทั้งดีทั้งทั้งดีสารการปกครองระดับสูงสุดแล้วนะมีมติมีคำพิพากษาแล้วว่ามัสิด ก็ตามโบสก็ตามถ้าถูกสร้างบนบนที่หลวงแล้วเนี่ยแล้วก็มีการละหมานนั่นนะมั ส, สยิดนั้นก็จะกลายเป็นที่วะกัฟโดยปริยายห้ามรื้อโดยเด็ดขาดมีคำพิบากษาแล้วถ้านายความคนหนึ่งก็ไปฟ้องคำสั่งของประธานาธิบดีที่ซีซี่เนี่ยสั่งให้หรือ้อทุกมั ส, สยิด ที่ถูกสร้างบนที่หลวงเพราะเป็นการละเมิดที่เหลวว่ามันผิดกับคำพิพากษาของศาลน่ะทนายนี้ถูกอุ้มติดคุกก็กฎหมายสาลนีมันสนองมันสนองความถูกต้องแล้วเนี่ยด้านศาส น, นาทำไมอ่ะ เพราะที่หลวงเนี่ยไม่ใช่ที่บุคคลใช่ถ้าเป็นที่บุคคลไปาถึงว่าที่ของบางมัดแล้วผมเนี่ยมาสร้างมัสยิดบนที่บางหมัดโดยที่ไม่ได้ขอเนียร์อันนั้นนะรือร้ออันนั้นนะและเมื่อถึงแมว้ว่าถึงแมว้ว่าเราไม่ไปสร้างมัสยิดไม่ใช่ม่มสิทธิของเราอันนี้เนี่ยละหมาดบนมัสยิดนั้นเนี่ะบาปนั้น น, นี่ยเรียกอาร์ดหมาดสูบ้บะมันเป็นดินแดนที่ถูกยึดนะแต่ที่หลวงอะ่ะเป็นของใครอะ่ะ ส่วนบุคคลเนะ่ยที่หลวง ก, ก็เป็นที่สาธารณะเป็นของส่วนรวมแต่สมมติมีคนมีคนมายึดแต่เขาไม่ได้ยึดให้ส่วนตัวนะเขาก็ยึดให้ส่วนรวมมาสรมมาส้างมัสยิดเพราะไม่มีที่นี่ไม่มี ม, ม, มัสยิดไม่มีอะไรก็มาสร้างสร้างแล้วนี่นะเขาบอกว่ากลายเป็นรัวก้าวโดยปริยายเพรที่หลวงที่ของประชาชนอยู่แล้วไม่ผิดกําลังจะบอกว่า พื้นที่มสัสยิดอย่าว่ามัสิดฮารอมนะอย่าว่ามัสยิดฮารอมนะพื้นที่มสัสยิดทุกมสัสยิดเนี่ยล็อกไม่ได้ปิดล็อกไม่ได้เพราะปิดล็อกนี่เท่ากับเป็นการห้ามไม่ให้คนละหมาดในมสัสยิดบางคนบอกว่นี่เนี่ยมสัสยิดนบีเนี่ยก็เคยล็อกมันไม่ใช่มสัสยิดนะบีเนี่ยเขาจะล็อกบางที่ แต่บริเวณเนี่ยเขาให้ละหมาดก็แสดงว่าเออเนให้ละหมาดแต่ถ้าหากว่าตัวมสัสยิดแล้วก็บริเวณนี้ไม่มีลไม่มีโทั้งหมดเนี่ยคือจะละหมาดก็ต้องละหมาดนี่แล้วเขาล็อกหมดอันนั้นนะบาปบาปและนี่เหตุผลว่าทาไมสถาปนิกกรรมของมสัสยิดเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะสร้างมสัสยิด แล้วก็เหมือนจะมีระเบียงสังเกตไหมจะมีระเบียงด้านข้างๆเนี่ยระเบียงนี่ถือว่าส่วนหนึ่งของมัสยิดแต่ไอที่เป็นที่เป็นห้องอ่ะนะที่เป็นอาคารอ่ะนะเขาก็จะปิดเขาก็จะล็อปอันนั้ไม่ผิดทําไมอ่ะเขาอยากจะมาละมาดนี่ก็ยังละบาสได้นะละมาดข้างๆละมาดข้างหลังแล้วถือว่าละมาดในมัสยิดอันนั้นน่ยไม่ผิดต้องต้งต้องแยกให้ดีนะที่ผมกําลังบอกว่าหมายถึงว่ามัสยิดนี่มีแค่นี้ มีแค่นี้นะไม่มีบริเวณไม่มีระเ บ, บียไม่มีอะไรนะมีแค่นี้แล้วก็ปิดล็อกหมดเลยอันนี้เนี่ยบาขัดขวางไม่ให้คนละหมาที่มัสีดี่อยา่ามาเมสีท้าอย่าว่าจะเมสดิดทารอมนะเมสดิดทุกที่นะทั่วโลกห้ามปิดคือห้ามปิดเมสดิดทั้งหมดล็อกหมดนี้ไม่ได้ห้ามปิดไป นอกเวลาละหมาดห้ามละหมาดโดยเด็ดขาดนี่ชัดเจนว่ามาการุเออรอุเรียพวกเขาก็ม่ม่ใช่เป็นผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วยมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของมัสยิดถึงแม้ว่าเอาสะดุ้งสะดังตัวเองมาสร้างมัสยิดนั้นนะจบแล้วการอุทิศนี่ก็ถือว่ามอบกรรมสิทิ์แล้วเป็นของใคร เป็นของใครมัสิเป็นของใครของ a ล l a h และอันนล ม, นมัสยิดะาพอมัสยิดมัสยิดลิลลาิลิลลาวละเป็นกมมสิดของ a l ไม่ใช่ไม่มีเจ้าของไม่ใชเป็นไม่ไเป็นคนป ก, ปกครองมใช่เป็นผู้ปกครองมัสยิดนั้นด้วย บรรดาผู้ปกครองมัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้เยี่ยมเกรงเท่านั้นอินอลยาอูอ huh, ิลัลมุตตคนคนเยี่ยมเกรงทำไมะฉันน่ะเป็นฉันน่ะเป็นกรรมการฉันน่ะเป็นเป็นเป็นกระซวงปกครองมัสยิด แต่ในขณะเดียวกันเป็นเจ้าของคาราโอเกะข้างมสซิตสมมตินะ ส, สั่งมาซิตแล้วก็สร้างคาราโอเกะจะเป็นผู้ดูแลก็ไม่ได้สร้างสถาบันสร้างก่ อ, อ, อตั้งกระทรวงเอากอบกระทรวงฮัทจะดูแล ดูแลมสัสยิดดูแลหุจญยาดูแลมสัสยิดฮรอมแต่ในขณะเดียวกันสถาบันบันดึงทำอะไรอ่ะกระทุกสาราพัดอย่างที่มันเป็นสิ่งอบายบุกอ่ะนะหมดนี่เหรอผู้ปกครองมสัสยิดฮรอมอเราไมีสิที่จะออกวีซ่าเพราะเราเป็นผู้กครองแผ่นดินฮารอมไม่ใช่นี่คำตอบชัดเจนในคุณอ่ะ ใช่อาอภิสิทธิ์มาจากมาจากไหนอะฮะพระบพระบุรุษนี่เคยไปพิชิตเคยไปยึดมักล้ายึดมาดีนะจากผู้คลองอีกกลุ่มหนึง่งพอคุณก็เลยกลายเป็นผู้คลองขอ ง, ของมัก่ายมาดีนะก็มีสิทธิ์ที่จะกําหนดวีซ่าใครจะเข้าใครจะไม่เข้าใครจะนั่นนะ ฉะนั้นท่านนาบีไม่เคยให้เครดิตของความเป็นญาติความเป็นตระกูลเหนือกว่าเครดิตของความเป็นผู้ย่ำเกรงตั้งแต่อยู่ที่มักกะขึ้นมูเอาซอฟา يا ما ش ر ب ن ي ع ب د ا ل م ي ط ا ل ب ل ُ ل َ ن ي ع ب د ا ل م ط ا ل ب ب ن ب و د ا ل ن َّ ب ِ ي يا م ع ش ر ق ر ي ش يا بني هاشم بني هاشم ت ك و ن ن ب ي ا يا بني هاشم يا عباس بن عبد ا ل م ط ل ب نِلُقَ ص ي ا م ِ ب َ ك َ نَقْرُ كَانَ ا ل ن ب ي ยาซฟีจะบินดาวมุตลิบอันนี้คุณป้าคนโปรดที่นั่นน่ะบรักมากเอามาลูมาชิตุมพวกเจ้าจะทําอะไรก็ทําและอูนีอังกุลมินายจะครับพระเจ้าช่วยเหลือช่วยเหลือพวกเจ้าไม่ได้ความเป็นญาติความเป็นญาติความเป็นเครือญาติความเป็นตระกูลเดียวกันน่ะนะช่วยอะไรไม่ได้ ที่ไม่รู้มาชจุ่มจะทำอะไารทเนี่ยผลงานของพวกเจ้านี่ที่จะไม่พวกเจ้านี่รอดในวันเกี่ยมาในบรรดุของที่มามุสลิมท่านนบีสุลตัลลาห์อะไรวะเซลก็สอนคนตระกูลเดียวกับท่านนบีและทุกคนที่เข้าใจว่าอ๋อในตระกูลเขานี่มีคนดีมีผูรู้มีคนมีวเราะมีคนที่ก็ทําบุญเยอะในตระกูลเขานี่โอ้สดงแสดงว่าเอออใจอุ่นหน่อยวิเคียะหท่านนบีบอกว่ามัน أسرع به حسبه. ผนอัลต้า به عمله. แลมยิ่งส ريع به حسبه. ใครที่ล่าช้าในด้านการงานของตนใครที่ล่าช้าในด้านการงานของตนของตัวเองการมีตระกูลดีเนี่ยจะไม่รีเรล่งคือหมายถึงว่าจะไม่รีบเพล่งให้เขาได้รับผลบุญ แลาไม่สรีงบี حسب ไม่ใช่ตกูลที่จะทำให้ทาให้ท่านเนี่ยได้ได้เครดิตได้คะแนนมากมากกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นเป็นทัศนะนาที่ถูกต้องแลวเป็นทัศนนาของสลับส่วนมากที่เราสลาวาดเนี่ยในละมาย اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد والله يبرو صلوات دع أنبي محمد لا แอลแอลตรงนี้เนียไม่ใช่วงวานก็หมายถึงว่าลูกหลานนบีครอบครัวนบีแต่สัญญาถูกต้องนะไม่ช่ยอลเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าสัญถูกต้องทัศนะของซาลับสวนมากเลยนะแลายมาอามัดเนี่ยให้น้ําหนักมากกว่าแต่มาซาบชาฟีเนี่ยมีความเห็นหนึ่งโดยเาะที่ไาแตัศนะที่ถูกต้องนี่ว่าแอลตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติตาม คนที่ปิตามนบีฉะนยมุฮัมคนที่ปตามตที่ค์ได้สละวคนปตามมีของอิ แลานนะฮะแกบว่าเป็นหนดีทมีสายรายงานน่าเชื่อถือเหมือนซยัเหมือนบุครีและมุสลิมเนี่ยท่านนะมีลลัลลอฮอะลัยฮิวซัลลัมถูกถามมันอลูกะแอลูกะก็คือวงวานของท่านนี่คือไข่วงวานตระกูลลูกหลานของท่านนี่คือใข่ท่นานนะมีว่าอลอัลมุตตะกูล องคมาของฉันนีคือคนเดียมกรีคนเดียมกรีอัลลอฮ์ในคุรานีอัลลอฮบอกว่าอินน اؤول الناس بإبراهيم للذين تبعوه هذا النبي و ا ي آ م و คนที่มีสิทธิอันควรมากที่สุดในตัวท่านนบีอิบรอฮิมก็คือคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีมแลวก็นบีคนนี้ก็คือนบีมุฮัมมัด และผู้ศัทธาอันนี้เนี่ยหลังจากที่ยูยูที่เขาอ้างว่าเป็นลูกหลานตระกูลของท่านนายอิบราฮิมอัลลอฮฺบอกว่าไม่เคนอิบรอฮีมยิวโดียัว่ลานนสรานียัน ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ไม่ใช่ไม่เกิดจะกู็นนบีอิบรอฮิมหรือนบีกรกดาบเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นทรัพสมบัติของตระกูลของเขา ของลูกหลานของเขาของเครือญาติของเขาอินอเลียอูฮูอิลลัลมุตตะกูนแท้จริงบรรดาผู้ปกครองมสัสยิดนั้นใช่ใครอื่นไม่นอกจากบรรดาผู้ยำเกรียงเท่านั้นไอันนี้เมื่อไราจะเกิดขึ้น เมื่อไราจะเกิดขึ้นคนที่ปกครองมสัสซิดฮารอมมสัสซิดนบีมัสิดอักษอเป็นคนที่ยำมเกรงอัลลอฮสุบานะอเทียบแล้วระหว่างผู้ปกครองมสัสซิดฮารอมมสัสซิดนบีกับผู้ปกครองมสัสซิดอักษอเทียบแล้วเทียบแล้ว ในด้านกระบวนการการขอวีซ่าให้วีซ่านะการขอวีซ่าไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดฮารอมและมัสยิดนบีซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของนักการปกครองที่อ้างว่าเป็นมุสลิมอะนะยากกว่าการขอวีซ่าไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดอักษรซึ่งอยู่ภายใต้ขณะเนี้ยอยู่ภายใต้การปกครองขอ ง, ของอยิว ท่านดีมีอำนาจหมดช่วงไฮและอมร้อยแล้วเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในมัสยิดฮารอมสลามสลามเสร็จแล้วเนี่ยจับคนที่อยู่ข้างๆ ข, ขอดูวีซ่าหน่อยถ้าวีซ่าหมดแล้ววันเดียวอะนะ จงมือเข้าคุกเลยมีค่าปรับค่าอะไรทําไมมีสิทธ์อะไรมีสิทธ์อะไรที่จะกําหนดล่ะแม้กระทั่งในช่วงโควิดมีสิทธิ์อะไรที่จะกําหนดมือถ้าว่าเราโดยปริยานีเราก็ต้องยอมรับมันก็ต้องมีคนที่ดูแลมั้งสิเราใช่แต่ ไม่ได้เป็นอภิสิตส่วนตัวไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จคนเดียวที่จะตัดสินใจเองทุกอย่างไม่เองจะทำอะไรเกกับมสัสยิดฮารอมมัสยิดนาบีเนี่ยไม่ใช่ควรนะจำต้องมีคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยให้ปรึกษาหารือว่านี่เรื่องเป็นแบบนี้ กระบวนการแบบนี้ฉันมีค่าใช้ใจ่ายแบบนี้ฉันมีอย่างนี้เนี่ยเออคนที่จะวีซ่าเนี่คนทีจะมีค่าจ่ายแบบนี้ไหมคนที่เน่เอ่ะสั่งอะไรมามีกติกาอะไรเกิดขึ้นมาจากความเห็นชอบของตัวแทนมุสลิมทั่วโลกมันจะมีความชอบธรรมมากกว่ามากกว่าตัวเองเนี่ยฮะนั่งอยู่บอกคำสัง่งนรประเทศนันไม่ชอบกิหน้ามันช่วงนี้มัน มันไม่ค่อย่เคร่งเคร่ ง, รงคัดหน่อยในเรื่องวีซ่านะปะศนี้เลยพวกกลุ่มนี้นเนี่ยระวังนะช่งนี้ก็ขออุดอ่านที่เราขอดุดอา้าโเลาได้ปลดปล่อยมสัสยิดอักซ์จากการยึดครองของพวกไซยุนิสโอเราได้ปลดปลดปล่อยมสัสยิดฮารอม จากการปกครองของพวกอัลซูดก็ทำใจแล้วไม่อยากไปอะช่วงนี้ไปก็ไม่มีผลไปก็ไม่ถึงไปถึงที่นูนนะ่นก็แค่ดีสนามบินเนอก็คงพาไปที่อื่นแนตะ่ก็ไม่ได้พาไปมมสินทารองกันแล้วสังเกตมาเรื่องนี้ อินเอาเลียวหูอิเลมมุตตะกูลคนที่ปกครองคือคนที่มีความยำเกรงจากอายะเนี่ยอุลามาเนี่ยบอกว่าเป็นคุณสมบัติของคนปกครองคนที่มีหน้าที่ดูแลอำนาจบริหารแผ่นดินบริหารกิจการของคนอื่นเนี่ยมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติต้องเป็นมุตตะกูลทําไมอะ คนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่นะเขาจะไม่เขาจะไม่มีโอกาสเลยที่จะเอาเปรียบชาวบ้านไม่มีโอกาสเลยที่จ ะ, สะแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่มีโอกาสเลยที่จะใช้อำนาจที่อยู่ในมือเนี่ยในการในการริดรอนชาวบ้านแต่คนที่ไม่ยำเกรงดอัลลอฮ์ล่ะ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเ e รงต่ออัลละฮ์อะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ต้องอธิบายแค่อ่านหนังสือบิบลูข่าก็จะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในโลกนี้จากผู้ปกครองที่ไร้น้ำแห่งความไม่ยอมเกรงไม่ใช่น้ำยาอัลลอัลว่าละนะเบีณาอุฮามดีอุฮลลัซบีสม สุมัลลิคุมุระห์มะดุลลอฮรู้สึกว่าเห็นด้วยกันหมดเลยนะวันนี้ด้วยไม่ขัดค้านอะไรเลยนะ